สิขาบทที่2เรื่องพระชาวพคี607สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตาวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวรรธีครั้งนั้นผู้ พ, พิสูจน์ชาวพะีชัปป้นบินทบาทมองดูไปที่นั้นๆเมื่อเขากําลังเกลียบิณทบาทเสร็จไปแล้วบ้างก็ยังไม่รู้สึกตัวพระบัญญัติ 2. พึงทําความสําเนียกว่าเราจะให้ความสําคัญในบาทขณะชั้นบินทบาท เรื่องพระชาปนกีจบสิกขาบทวิพังภิกษุพึงให้ความสําคัญในบาทขณะฉันบินทบาทภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบาทมองดูไปที่นั้นนั้นต้องอาบัตทุบกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นึ่งพิสูไม่จงใจ2องพิสูไม่มีสติ3ามพิสูผู้ไม่รู้4ี่พิสูผู้เป็นไข้5้าพิสูผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิษุวิกลจริต7จ็ดพิสูต้นบัญญัต สิขาบทที่2จบ